เป็นยังไงนารูอรู้สึกตัวไเรื่องหนสึกตัวอารู้เร่นาทีรู้ทีก็ไม่รู้ทีรู้ทีก็ไม่รู้ก็รู้ว่าไม่รู้ เรเคยรู้สึกว่ารู้สึกถึงตัวเอานี้เอานะเอาตัวแบบไม่ง่ายคือรู้สึกถึงตายเคยรู้สึกแบบนี้บ้างในใ น, ในแต่ละวันตามทั้ที่กายมันก็ยืนเดินนั่งนอนตั้งแต่ตื่นจนหลับเนาะ24ชั่วโมงเนี่ยไอติี่มันอ่าเรียกว่าที่เรารู้สึกว่าเป็นเรา24ชั่วโมงเอาแค่วันหนึ่งนะะแต่เราไม่ค่อยรู้ใช่ไหม เราไปรู้ไปเห็นคนอื่นไว้ได้ยินเตียงข้างนอกแต่ตัวเราที่ที่เดินที่นั่งเนี่ยไม่เคยรู้ใช่ไหมอันเนี้หรือไม่แหละลมหายใจลมหายใจเข้าตลมหายใจออกเนี่ยมีตลอดเวลาตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งวันที่เราตายแต่บางทีเราต้องไม่เคยรู้อันนี้เป็นถิ่เจตลเอียดขึ้นไปนะแต่เอาง่ายๆในกา ย, กายแค่จับยาแค่การนั่ง แค่การเดินอังเกตบไหมเนี่ยวันนึงเราก็คงเดินหลายก้าวเนาะแต่บิงทีเราก็ไม่ค่สนใจการเดินของเราเลยนะใช่ไหมหรือแปลงปานอ่ะสำมชอบสังเกตสเกแปลงปานนี่มันคิดง่ายมากแปลงปานนี่ไม่รู้แตลงทั่วหรือเปล่านะแปลงเป็นอโนมมากนะไม่คยสังเกตหรอกแปลงแบบแปลงขึ้นแปลงลงแปลงข้าแปลงออไม่รู้ออกมันทั่วหรือเปล่าถ้าพักหนึ่งก็อ้าวเออ้ายเสร็จนะ วันฝ่าทางอาหารมาไน้แบบนั้นนะแต่กินข้าวนะบางทีเรื่อๆนะเราตักไปเออไปตะ ก, กี่คำเหลือมากหรือน้อยก็ชาติไม่ใช่เราพยายามเติมกู้วันนี้จะไาอะไรกินอร่อยอบ่อยแต่เราไปกินนะนะก็ไม่ค่อยสนใจว่าอไร่อยไม่อร่อยหรอกไปคิดนั่นคิดนี่ใช่ไหมแต่ไม่ค่อรู้ตั ว, ตวการรู้ตัวคือการรู้ว่าใครกำลังทําอะไรนี่ส่วนหนึ่งแต่สังเกตไหม แล้วก็ปะมาณที่ว่าทุกคนก็เป็นคล้ายๆกับเป็นโยมคือรู้บ้างไม่รู้บ้างคืออ่ะตอนแรกๆรู้อ่าตอนหลังๆทาไปพอเราชินก็ไม่รู้ตัวอ่ามันก็ง่วงนอนมันเป็เหมือนแปรงฟันเลยนะแปรงฟันชีนแล้วไม่รู้ว่ามันทําได้เป็นอัตโนมัติแต่แรกๆตื่นใหม่ๆก็ติดเกรงเนี่ยแก้ยกผิดหรือท่านี้ต่อไปจะเป็นท่าไหนเอ่า กลัวผิดก็จะตั้งใจมากขึ้นใช่ไหมตั้งใจแต่พอเพลินแล้ว ก, วก็ทนี้ก็สบายปล่อยใจง่ายๆเหมือนกับพวกเราเหมือนเราขับรถเนาะเราต้องจับจักรยานมอเตอร์ไซค์อยู่เราต้องโดนะ ม, ยายา ม, มื อ, อมกันพอออกถนนใหม่ๆหรือว่าพอขึ้นขับใหม่ๆมังเกรงเนาะมันก็จะระวังเพราะฉะนั้นเด็กไปหนักไปทางเกรงทางเครียดแต่พอทํานานแล้วท่นี้โอ้ ไหมือก็ได้จับมือเดียวก็ได้คุยก็ได้พุยโทรศัพท์ก็ได้ไม่ต้องกลัวแล้วใช่ไหมแต่บางทีก็เกิดอุัติเหตุก็มีบางบางทีก็ไม่เกิดอุิเหตุก็มีแต่ใจเราก็คลุ้งคลานไปได้ก็มีนะอันนี้ก็เหมือนกันนะไม่เป็นไรแต่สังเกตไหมบอกว่าตอนแรกบอกให้รู้แต่กายก่อนแต่มันรู้แต่กายอย่างเดียวไหมมีอะไรให้มาเรืออีกความคิดมันมีไหมมี ห้ามมันแดงไหมไม่ได้เนาะรําคาไหมอยู่แบบไหนเลยทั้งทั้งสองตั้งรังคาแล้วก็ไม่รําคาเป็นแบบนั้นเนะบางทีบางสนานแล้วก็รังคาบางทีก็ไม่รังคาเศจก็มีดังนั้นเราได้เห็นว่าแม้แต่รู้กายเคลื่อนไหวต้นๆได้จริงก็จะรู้อย่า ง, างถื่นไปด้วยแหละนะเราไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้าม เอาง่ายๆสมมติถ้าเรามีลูกอาจจะหลายคอาจจะมีอยู่แล้วถ้าเราอยากไดให้ลูกเราเป็นคนเรียนเก่งหรือเราเป็นคนเก่งก็ได้จะเป็นคนเก่งได้เราจะทำแบบไหนการเรียนเก่งไี่ต้องมีอะไรต้องให้ต้องอเรียนเก่งก็ต้องตั้งใจเรียนรู้เนาะเรียนหนังสือหรือว่าการอ่านหนังสือที่จริงการที่จะเป็นคนเก่งได้ก็คือต้องเรียนรู้เนาะ ต้งเรียนรู้ข ย, ยันแล้วก็เรียนรู้นี่คือปัจจัยแต่ถ้าเราอยากให้ลูกเราเรียนเก่งแต่บอกให้เราลูกเรานอนหลับเยอะๆนอนหลับเป็นบ่อยนอนหลับตลอดไปตักจะเก่งไหมเก่งไหมเนาะลูกกกลายเป็นคนอะไรนะอากปพึ่งตัวโลทาเลยเนาะนอนอย่างเดียวอ่า บางทีนักปฏิบัติก็เป็นคิดกันนั้นนะคิดว่าถ้าจิตเราได้นอนบ่อยๆจิตเราได้พักจิตเราสงบสงบเนี่ยจะไม่ได้เก่งเองจะเกิดปัญญาเองเคยคิดกันนั้นไหเดี๋ยวน่ะแต่ถ้าทำจิตสงบนิ่งๆธรรมดานะแต่๋ยวจะปิ๊งอะไรของนมาเองแต่มาเคงไะมแตมาเคคิดนะเคยคิดแล้วว่าถ้าเราทําสงบสงบจริงๆเดี๋ยว สงบเรื่อยๆ ล, ล่ะเดี๋ยวเราตอนไหนก็ซาตูได้เองเหมือนเันมันจะปิ้งคำมาร์โฟ่ฝอยหวางได้เอ ง, งอดี๋ยวจีนไม่ใช่นะที่จริงมันเหมือนกับ น, นี่แหละถ้าเราอยกให้เด็กเกงนะเราอยากให้ก็นอนหลับตลอดเนี่ยมันะนะม่มีทางเก่งหรอกนะ ม, มันก็จิตที่ถ้าทําแค่ความสงบเฉยๆนะมันก็เหมือนกับเด็กที่นอนหลับเฉยๆนะแต่ถามว่าการนอนหลับการก็ฝัน ม, มันดีไหม ดีในระดับหนึ่งแต่ถ้ามันมากเกินไปมันก็กลายเป็นความคิดเกียจแล้วก็ไม่เกิดการเรีนยนรู้แต่บางคนขยันเกินไปจนไม่พักผ่อนอ่านเยอะเรียนเยอะแต่สมองอาจจะเรียกว่าเรียว่ามันม้นความรููมันล้นเกิดความเครียดก็เห็นไม่เก่งก็ได้อะนั้นที่จริงทัานสมารีิก็แล้วกักนเดินสติหรือว่าเกิดนปัญญาต้องทำเพิ่มเติมไปนะแต่ในหลักตรงนี้เราจะใช้สติเป็นตัวนาํา สมาธินะก็คือจิตที่มีความสงบหรือว่าการตั้งมั่นนี่ยให้เป็นตัวที่ตามตามสตินะดังนั้นแม้เราปฏิบัติทรรมี่มันจะไม่สงบไม่ใช่เรื่องผิดนะไอ้ในบางเดี๋ยงนี้เราไม่ปฏิบัตเพื่อความสงบนะแต่เราปฏิบัติเพื่อความรู้ก็คือการเรียนรู้ตอนนี้มันสงบเราก็รู้ตอนนี้ไม่สงบเราก็รู้ตอนนี้มันรู้กายเราก็รู้ตอนนี้มันคิดไปเราก็รู้นะตอนนี้มันหลงไปแล้วก็รู้นะ คอหลัที่จริงคือการรู้รู้ตัวว่าตอนนี้กายกำลังทำอะไรหรือว่าจิตใจมันคิดอะไรแต่ไม่ใช่รู้ว่าคิดอะไรนั่นถึงว่ารู้ว่าจิตมันไปคิดนั่เถอะแต่ล ะ, น, ะนี่คือแค่รู้ตรงนี้นะก็คือเป็นการเรียนรู้ตรงนี้แหละมันจะเกิดปัญญานะจิตจะเกิดปัญญามันไม่ใช่แค่หลับแล้วก็พักผ่อนไม่เรียนรู้อะไรแต่การสุนทรีนจะเป็นการเรียกว่า ทำให้จิตมันเกิดปัญญาก็คือการเรียนรู้ความจริงของกายและของใจเนาะอันนี้คือหลักการที่เราฝถ้าเราจับหลักตรงนี้ได้นโยนนะมันจะทําให้เราก่อยอดไปได้ดีแต่ถ้าหลักหลือพื้นฐานนั้นไม่ดีเราจะจะทำแต่ให้มันสงบทำแต่ให้มันไม่คิดทำแต่ให้มันดีอย่างเดียวมันผิดหลักพอผิดหักมันเหมือนเราจะไปเมื่ออากไปยังวัดตาสุโโตจังหวัดเทพรูมนะอ่าไปดูแผงที่นะจะดูกับทิ่งนะอ เราไปลงทางที่ใต้นู่นนะขยันขยันนะขยันขับรถขยันเดินทางนะแต่ไปคนที่คนอทานนะมันเป็นแบบนั้นะนะบางทีเราขยันนะแต่ผิดทางมันก็ไม่สูงทางไม่ถูกกดหมายเนาะอ่าเดเราอ่ะค่อยค่อยขึ้นอ่ะใช้ตาดูใช้ตาดูดูได้ไหม <S <S <c oughs> เออ <C oughs> ใจจะได้อยู่ที่ ก็จำไม่ได้แหละมันขึ้นชั่วโมงที่แล้วรอบนี่ไม่ไม่ส่งใจอยู่ที่มืงแต่ให้ใจรู้ที่มืงหรือก็ไม่ใช่อะไรพูดถึงรู้ที่มือให้ให้ใจรู้กายลงรว้แต่มัเด็ดที่มึอเนาะไม่ต้องใช้ตาดูยองติดตาให้เป็นติสระแล้วก็เราเอใจเด็กมันไปดู แต่บางทีก็ตามก็เกิดดีเห็นบ้างก็ทัางประมาณแต่ถ้าโยงนะยังไงเงยนะนะเงยเนาะหรือถ้ามันไอที่มันด้เอียดกว่านั้นนะหรือถ้าเราเดินน่ะเราก็จะช่องจะเท้าจะเดินยังไง มันไม่เป็นธรรมชาตินะอันนั้นเราถ้าเราใจดูเลยนะมันจะเป็นธรรมชาติมากเพราะใจมันมันรู้ได้แบบไม่ต้องไม่ต้องตั้งใจมากมันรู้ของมันเองแต่แน่นอนอหละมันมีการเสือไปบ้างแต่ก็มีสติรู้ทันแล้วก็กลับมาใหม่ไม่ต้องกลัวมันเสือไม่ต้องกลัวมันรู้ไม่ชัดเนะมันรู้ได้เท่าที่มันรู้ได้เทอาสุดไปแล้วจะเยี่ยมกันแล้วกันนะออื ดีใจไหมดีใจกันเยอลยดีใจไหอ่ะเอาเอากรเป๋าเก็บไปข้างกับนะ คนเย็กก็ไปแถวคนน้อยๆอีกคนไหนลงนะตู้ตู้ทถาไหนคนน้อยนะแล้วก็ให้มันเฉลียกันเด้๋วจะพาเดินจงกรมนแต่ตอนนี้การเดินจงกรมก่อนที่เรจะเดินให้เรารู้ก่อนว่ากำยู ที่จริเป็นเบสที่จริงเดินหลักการปฏิบัตินี้มันเรียกว่าเหมือ น, นกับตั้งพื้นดินในโยมน ะ, นะยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งคิดก็รู้ว่าคิดมันตั้งพื้นดินมากๆแต่จริงๆนะว่าเราคิด่มันจะต้องพิเศษกว่ น, นี้นะปฏิบัติธรรมที่จิงรู้ธรรมาดาที่สุดนี่แหละ ทีแต่ไม่โยกไปกับมันนะให้เรารู้ว่าเราเสริมยีเด่นเนาะรู้ไหมมันเด่นที่ตรไหนอันนี้กินหอาจารย์รู้ว่าหลงกับมันแล้วลุกไม่ขึ้นอะอืมทีรู้ว่าหลงนะแต่ก็ยังหลงอยู่เพราะอะไรทีกำลังไม่พอโยงอย่างเช่เมื่อบางทีเราก็รู้ว่าเราโกรธนะแต่ทําไมมันไม่ออกอย่าพอโกรธอันนี้ก็คืออะไรมัน มันกําลังพอดีเราน้อยแล้วก <phase> ็เลยเรียกว่าไม่สามารถออกจับมันได้เหมือนรถมันรถธรรมดาก็ติดโดงแบบนี้นะมันไม่มีเกียร์โปพิวมันก็ไม่สามารถออกกับโดได้เพราะกำลังมันน้อยใช่อืมเหมือนกับเราอะเราจะไปยกน้ําหนักเท่ากับนักนักกีฬายกน้ําหนักได้ไหมันงทีเราหนักกว่าเขาอีกใช่ไหมเราก็ยังยกได้เงี้เท่าเขาไหมมันไม่ใช่ว่า เพาะตอนี้เรายัางไม่ค่อึกแต่ถ้าเราฝึกแล้วเราจะสามารถยกแบบนั้นได้น่อาจจะได้อาจจะไม่ได้นะอันนั้นเป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องของใจเราสามารถฝึกได้จากตอนนี้ส ต, ติมันน้อยก็สุดให้ส ต, ติมันมากได้นะอจากนี้เรารู้สึกถึงการยืนเนาะการยืนเราไปรู้สึกถึงการเดินเดือดเดินอยู่กับที่อเดินย่างเท้ามืออาจจะเก็บไว้ ประทัดไว้ข้างหน้าหรือว่าอ่าเก็บไว้ข้งางหลังก็ได้เนาะหรือตามที่มันหนาวๆแล้วก็กอดหอบก็ได้นะเป็นการใช้ให้ความรู้สึกมันเด่นที่การการเดินการเดินตัวที่เด่นก็คือเท้าที่สัมผัสเราก็เลยเก็บมือนะแต่ถ้าในคีบจริงเราอาจจะปล่อยมือสบายธรรมดาแล้วและก็รูปตัวทั้งตัวแล้วก็กำลเดินไป แต่การเก็บมือก็อาจจะทำให้เป็นตัวเสริมทําให้เราเห็นการเดินของขามันชัดขึ้นเราจะเดินให้สบายทีกว่ารู้สึกถึงการยกขึ้นรู้สึกถึงการสัมผัสลงรู้สึกถึงกายทั้งกายที่มันมันโคันโยกเนะี่ยใช่ไหมแค่การเดินมันก็ยังมีกายที่มันแบบ เกียรติในหลายท่านะยกขึ้นมาก็รู้สึกตัวสัมผัสลงไปก็รู้สึกการโครก็รู้สึกแต่หลักการก็เหมือนกับการยกมือตั้งยายนะเราไม่สงใจเรามาอยู่ที่ฝ่าเท้าหรือที่ขาเท่านั้นให้รู้สึกทั้งตัวแต่ก็ไม่ใช่ให้เข่งทั้งตัวนะให้ทําสบายๆอันนี้ ยังต้องหาการวางใจของเราเองนะทําแบบไหนถึงไม่เพ่งที่ตัวในใดส่วนหนึ่งหรือไม่เพ่งทั้งตัวไว้นะให้รู้สบายๆ <c oughs> เรารู้สึกต้อ <c> ะ <oughs> อะไรนะระเอยอะแบบไม่ได้ปล่อแบบใจให้ว่างไม่คิดอะไรอย่าง้ก็ได้แล้วมันแต่ให้มันรู้ตัวนะไม่ใช่ให้มันว่างแล้วก็แบบว่างแบบ แต่ใยๆไม่รู้ตัวเลยก็ไม่ใช่อันนั้นก็คือกวามหลงอ ย, ย่างหนึงไปอยู่ไปสร้างสภาวะว่างแล้วก็ให้ใจอยู่สภ า, าว่างนันก็ไม่ใช่คําสอานขะ อ, องเจ้านะเดิ่มแรกเราก็ฝึกให้มีสติรู้กายแล้วก็รู้ใจนี่คือทางที่พระพุ้สอนไม่ใช่ไปไปทำอะไร้ไปสร้างช่องว่างในจติตแล้วก็สจิตไปอยู่ตรงนั้นอันนั้นพระุทเจ้าไม่เคยสอนให้เรา ไปอยู่กับสุญญาตาแต่ท่านตอนใี้เรารู้กายรู้ใจนะจริงๆไอ้โรงพยางาที่จริงก็เป็นอาการหนึ่งของที่บอกว่าการพักการนอนหลับนั่นแหละถ้าเราส่งจิตไปอยู่กับการนอนหลับการพักเฉยๆเนะี่ยจะตอนนั้นถือว่ามันมนาจจะไมีทุกขแต่มันก็ไม่ได้เกิดปัญญามันไม่ได้เห็นความจริงนะ ถ้าเราอยาจะให้จิตมันฉลาดมากขึ้นมันมีความรู้รอบในกองสังคาแล้วก็ต้อให้มันเดินปัญญาเ ก, เกิดปฏิเกิดริ ญ, ญาก็คือทําแบบนี้ไม่ใช่แค่นสบายนะั่งสงบนะยลองรู้ตัวเองนะเราเห็นที่ยิงเดินจงกรมเนี่ยแค่เดินแบบนี้แหละโยมนะยกขึ้นออกจากโต๊ทํางานบ้างนั่งหน้าคอม นานๆเครียดก็ลองมาเดินบ้างเนาะเดินแบบนี้ก็ได้เดินมาแบบนี้เดี๋ยวนะเดินมาก้างหนึ่งข้างหน้าขวายลงข้างหลังก้างหนึ่งหนึ่งข้างหนึ่งข้างหน้าแล้วก็ถอยลงไปข้างหลังข้างหนึ่งก้าวตท่ไหนก่อนรู้ไหม สังเกตไหมล้อหลอกระเซ็นด้วยนะเวลาเราตึ้ขึ้นมาจากต้นเราก้าวเท่าไหนก่อนนั้นที่ก็ไม่รู้นะอัตโนมัตมากเลยอแต่ก็ไม่แต่บางทีก็อาจจะแค่สังเกตบางครั้งคล้าไปแล้แต่ให้ร mm ู้สึกถึงการเคลื่อนไหวเป็นหน่ะตัวเคลื่อนน่ะคือตัวที่ให้เราคอยสังเกตเป็นหนักแต่บางทีเราก็ทำจนเราไม่รู้เลยนะคือเราสังเกตไหมตอนเรากินข้าวอ่ะ เออเราเคียวข้าวก็พุงแก้มด้านไหนนี่เรากิ น, น, กกนข้าวกิ่ทำงโยววันหนึ่งแต่ทำไเราเคี้ยวข้านไหนเราต้องม่รู้ตัวใช่ไหมอันนี้ก็เป็นแค่แบบเก็บเรือล็กน้อยแต่แต่ดัควาร่ก็สู่ตันนี้นให้เรารู้รู้กายกำลังเดินรู้กายกำลังถอย พระวิชาท่านบอกไว้ว่านะที่สุดทำลายเรจะมีปติขณะที่กู้แขนเข้าเหยียดแ ข, ข, อขนออกขณะที่เดินไปข้างหน้าขณะที่ถอยไปข้างหลังเดี๋ยวขณะที่เหลียวซ้ายแรงขวาขณะที่กินดื่ขับทายขณะที่นุ่มสง่งงงงงจีบอลให้มีสติรู้คือรู้ว่ากําลังทําอะไร รู้ว่ากายกำลังเคลื่อนไหวแบบไหนที่จริงรู้การรู้เหมือนกันารู้ว่ากายกำลังเคลื่อนอย่างไรนะไม่ใช่ไปพูดว่าเรากำลังเดินอยู่เรากำลังนั่งอยู่เรากำลังกินข้าวเรากำลังถูบ้านเรากำลังพักผ้าบางคนไม่เข้าใจอย่างนั้นนะเราก็ไปรู้ว่าไปรู้ถึงผ้าที่ซักไรู้ถือไม้กวาดที่กวาดไม่ใช่นะ เรารู้ถึงกายเราที่มันเคลื่อนท่าไหนใช่ไขวาดบั้งก็รู้สึกถึงมือที่ที่แล้วมันแกว่งไปนะตักผ้าก็รู้ถึงมือที่มันจะยี่เล่นอยู่ที่มันเรียกว่ามันมันเคลื่อนไหวอยู่กินข้าวก็รู้สึกถึงการเคี้ยวการตักแต่ก็ไม่ใช่เปเพีงไว้แค่ตรงปากไม่ได้เปรีไว้แคน่ขมือ น, นะรู้ตัวทั่วพร้อมนี่คือเรารู้ตัวรู้กายก็กำาังทอะไร พอจิตใจคิดนึกปรุงแต่งไปเราก็รู้ทัแนแง่เดินแบบนี้ก็ได้นะแง่เดินเก้าหนึ่งเดินสองเก้าก็ได้อันนี้พอเรามีพื้นที่จํากัดแล้วทําแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเรามีพื้นที่มากขึ้นเนาะก็ลองฝึกเดินดูนตรง น, นี้อาจจะพื้นที่ไม่มากนะแต่ก็พอเดินได้ถ้าเราเดินเป็นแถวกันเนะาะคือเราจะเดิน เดินมาข้างหน้านะเวลากลับตัวก็ขอกลับแล้วก็เดินกลับไปด้านโน้นแล้วก็กลับมาเดินมาเรื่อยนะขับตัวเลยวนะขับไปด้านไหนก็ได้นะแล้วก็ย่างเท้าอยู่บนที่นะเดินเดี๋ยวที่กัดปอเพื่อนเดินกลับกล่อยเพื่อนเดินไปเแล้วเราก็จะให้เดินไปเราจะมีการเดินอยู่ตลอดเวลาเลยนะแต่บางทีก็เดินไปข้างหน้าบ้างแล้วก็ดูว่าเดินอยู่บนที่บ้าง เรากลับตัวก็ร th ู้สึกนะเอาแถวเราไปด่านนะแถาสี่ห้ากึ่งเวลาอะไรนะเดินคพร้องกันแล้วก็เดินของเราอยู่เสมอเดินเรือยๆตอนกลับไปเราก็เดินอยู่นะบางทีถ้าเราวิ่เคลื่อนไหวจิตใจเราจะคิดนึกปรุงแต่งไปได้ง่ายอย่ให้การเคลื่อนไหวเป็น เป็นเหมือนไในท้เป็นเครื่องรู้ของจิตนะมันกจะเด็กนะเราไม่ปล่อยให้เขาเหม่อรอยว่างอะไรอ่านหรือว่างเมื่อะไร่ทําการบ้านบ้างอะไ ร, ะไ ร, ร, ะไรนะคิดในจิ่นที่ไม่เข้าใจให้เข้าใจอันนี้คืออันนั้นทามโลกคือทำแนั้นก็จะเก็งๆในทางปฏิบัติทำก็คือว่านะ อย่าให้ใจเราลอยทุ้มท่านไปโือเปล่าๆให้รู้ทันกายที่เสอนไหวบ่อยๆพอใจมันลอยมันคิดเราก็รู้ทันแต่ น, นี้มีเทคนิคนิดหนึ่งท้าเนเราเดินในที่ที่ไม่ยาวนะเช่นประมาณแค่แปดเก้าสิบเก้าวนนี้นะวนเวลาเรากลับตัว ถ้ากลับแบบซ้ายทีขวาทีนะมันจะทำไห้เราไม่ไม่เวียนหัวไม่ได้กับตัวแบบเหมือนที่แบบเวลาเรานิ่งเปี้ยวนิ่งบนมันจะถ้าบนวนนะมันจะเวียนหัวที่หน้าถ้าเกาเดินสั้นๆนะแต่ถ้าเดินไกลๆมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีช่วงในกา ร, การไปไกลช้ปรับตัวนนะถ้าเดินสั้นๆเนี่ยกลับซ้ายทีขวาทีนะหรือถ้าสัาเงเกตเนะี่ยคือกลับแล้วก็หันหน้าไปด้านเดียวกันนะ หันหน้าไปด้านไหนก็กักตัวก็ได้นะทุกปีหนึ่งหันหน้าไปด้านเดียว <c oughs> มันเป็นเพียงแค่อูอ่บายหรือเทคนิคที่จะทําเพื่อให้เราไม่เงียดหัวเจ๊นะแต่ถ้าเราเดินยาวๆนะจะกลับด้านไหนก็ได้แต่เดินเราก็รู้ตัวแล้วก็เดินกลับตัวแล้วก็รู้ว่ากลับตัวนะหยุดดอย เรื่อนแล้วก็ย้างเท้ายวกั บ, บที่ประยสทุกตัวไปสังเกตการวางสายตาของเราเลยนะวางสายตาเช่นไรมันเครียดวางสายตาเช่นไรมันอ่อนคลาย ฟังสายตาเช่นใดสูงสุ้มซ่านเดินไปสังเกตบางคนเก่งจ้องไว้เลยบางคนโค้งต่ำเกินไปแล้วกวดหัวที่เนี้ยจะต้องมองให้สบายขึ้นมองอย่าโค้งมากเกินไปมองคนสายตาแต่ตายมองคนนั้นตคนนี้จะต้องคำรวมเข้ามาไหน่อยการวาง อาจจะระยะไม่เข้ากันครับในแต่ทุคคนหรือในใจและอารมณ์ของเราเองก็เหมือนกต่บางครั้งมันมันเพ่งบางครั้งมันง่วงก็จะมองไกลๆให้สบายๆแต่ในห้องนี้่อาจจะมองก็ได้ไม่ไกลเนาะติดห้องไปหมดเลยแต่ก็สังเกตบางทีถ้าโค้งต่ำจนไปจะมองดูเพดานมองตรงๆ มันก็สบายเหมือนกันน ะ, นะไม่เป็นเหตุไม่เป็แต่ระดับสายตาที่มองก็ช่วยในการการอ่าบบนลงได้โดยที่จริเราก็บล็อกลู ก, กตาเร า, ใ, าเ ใ, ให้มันอยู่ในองศาเดิมไม่ให้มันขยื่อนนี่ก็นะลองคับลู ก, กตานะอืดูเดินก็เหมือนกันนะ บางคนเดินแบบเตะเท้าหาานักหนาแบบเป็นท่าเดิมขาเขาอางๆใช่ไหมฮะนะให้มันผ่อนคลายสบายๆเราต้อง <c oughs> มีทักษะธีแบบผมพูดเพี้ยนนั่นเป็ไม่นนเน้นการเดินช้าให้เดินแบบใกล้เคียงกับธรรมดาที่เราเดินนี่แหละพราะเราจะตื่ให้ใกล้เคียงกับคิดประจําวันนะ แล้วก็บางทีในใหม่ๆเราจะไม่ไม่ไปหารายละเอียดอไม่หารายละเอียดเช่นําคัดลงไปยกขึ้นมาก้าวไปสัมพันธ์ตื่ถ้าเหมือนท่าสาที่เขาบางทีแบบยกย่ามีบางทีเป็นหกเป็นเจ็ดจังหวัดในแต่ละก้าวเอาให้ชัดเดจนแบบนั้นแต่สายรถยฟเอาหยักหยักไปก่อนแค่รู้ว่ากายกำลังเดิน ยกเท้าขึ้นสัมผัสเท้าลงไปรู้สึกตัวแค่รู้ว่ากำลังเดิม อ, อยู่อ่ไปนั่ง ก, ก็อีกไปแล้วเรารู้อยากอยากๆยนาะแต่ต่อไปเดี๋ยมันไปรู้ทันใจของมันเองอยูน่นะเราไม่ต้องไปหาอะไรละเอียดเช่นเท้าสัมผัสพื้นแล้วมันเย็น แ้วมันแข็งเลยนะไม่ต้องเดืเอาอะไรเดือดเอาะแค่รู้ถึง ก, การเคลน่อนะแต่บางทีมันรู้ตอนมัน ร, รู้ว่าะเย็นมันก็สัมผัดมันแข็งันไปไม่เป็นไรไม่ใช่ดักดักขอเราคือแค่รู้ว่ากายกำลังทําอะไรกายกำลังทำอะไรนะี่คือคือหลักเลยนะแอ่แค่เรารู้กายก็กำลังทำอะไร แต่มันก็ยังไม่ใช่จุดหมายมันเป็นเพียแค่พิธีการแต่ในการที่เห็ น, นกายกำลังทําอะไรบ่อยๆน่ออะมันจะมีคําตอบนะมันจะมีความรู้เลยนะตรงนี้ก็คล้ายๆเมืนกับเราอ่านหนังสือเช่มีหนังสือหน่งเล่มหน้าที่ของเราคืออ่านแต่ละคําแต่ละคํามีนไประโยกไปเรื่อยพออ่านจบเล่มเราก็จะรู้ล่ามันหนังสือเล่มนั้น เขาสอบอะไรหรือว่าเขาอยากจะเขาจะคี้ไปที่ตรงไหนกายก็เหมือนกันถ้าที่เรารู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจเคลื่อนไหวไปบ่อยๆพอเราอ่านจบเดี๋ยวก็เกิดความเข้าใจเองเนแต่มันมันอาจจะไม่ชัดเจนเหมือนกำลังถือเะ มีร้อยหน้ามีสองร้หน้าอ่านจบเพราะเข้าใจได้แต่สติปัญญาแต่ละคนก็ไม่เท่ากั น, ค น, น, นกคนอ่านจบรอบหนึ่งก็เข้าใจแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีบางคนอ่านจบรอบหนึ่งเข้าใจแค่ครึ่งหนึ่งก็มีอืมนั้นระยะเวลาของการปฏิบัติก็อาจจะบางคนปฏิบัติมาปีหนึ่งเข้าใจแค่สิเปอร์เซ็นตก็มี คนปแบบัปีหนึ่งเข้าใจห้าสปร์เซ็นตแล้วกอนี้ไม่เข้ากันะแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเรก็ค่อยๆอ่านค่อยรู้จักตัวเองไปเรื่อยๆนะเกิดความเข้าใจมากขึ้นเหมือนเราอ่านสือสะสมตัวเนี้ยรู้ตัวเป็นทีะขันรู้ตัวเป็นทีละคัรู้ตัวเป็นแต่ละคณะแต่ละคณะเนี่ยนะ หรือบาีเาเปรียยไปได้แต่เราต้นน้าต้นไม้ก็ไปอยก็ไปใยแต่ต้นไม้ก็เติมรอบแาลแล้วก็ออกดอกออกผลเราถึงผูกแต่นั้นก็อาจบางทีอาจจะยังต้นไม้บางประเภทไม่ชอบน้ำต้นหน้ากะตายก็มีนะแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยการ ทำความเปลียนแปลอนี้คอยรู้ตัวใน่อยรู้กายเคลื่อนไหว ร, รู้พันใจนะที่เกิดไปแต่ถ้าเป็นคนใหม่เลยเนาะเอาอาการเคลื่อนไหวของกายเป็นหลักไปก่อนความคิดาอารมณ์เนีอยเาี๋ยว้งเปนผลใจแค่รู้ว่ามันคิดมาแล้วก็กลับมารู้กาย เรารู้วามันคิดแล้วม็นกลับมารู้กายแต่ถ้าผู้เก่าแล้วก็วทำให้ตะบายทะบายรู้กายเป็นแบบคั้ทางพอจิตใจมีอารมณ์มีความคิดมีกิเลสเกิดขึ้นก็ไปรู้ทันรู้ทันว่ามันโผลไปนั่แหละก็จะเกิดเป็นการเดินปัญญานาะเห็นจิตมันบังคับไม่ได้ มันคิดของมันเองมันตรุของนั้นเองมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้เห็นต้องใจกครับหายแล้วก็สบายดีแล้วก็เจ็บแล้วก็ทุกแล้วก็หายทุกข์แล้วก็หายเจ็บมันก็บางรับในร่างเปลนไปตามเหตุปัจจัย จิต ใ, ใจเดี๋ยวกมีสติเดี๋ยวก็าสติเดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็มีความคุบเดี๋ยวก็เฉือยโยลงไปที่ะระนาดรน้การเดิน เ, เปนหนักแต่บางทีมันเป็นรู้อย่างอื่นแท้ก็ไม่เป็นไรนะบางคนเดินอยู่ใกล้ลมลมแคสัมผัสลงมาเราก็รู้สึกตัวกับการที่ลมสัมผัส ตัวก็ได้บางครั้งเดินอยู่ดีก็ไปรู้ถึงตางที่จะพิดบางทีก็รู้ถึกลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ก็ร่าไม่ผิไปรเป็นคือว่าให้เรามีตัวหลักตัวหลักคือการเดินอย่างคือที่มนรู้แทรกก็ก็อย่าไปสนใจจะแค่รู้ว่ามันหายใจรู้ว่าลมลมสัมพันธ์ก็ไปการรู้สึกตัวที่เกียวกันนะไม่ผิดไม่ผิดแต่ถ้าเราไปสงสัย รู้อะไรดีแค่นั้นนหะคือมันชวนให้เราคิดแล้วรู้แบบนี้ผิดหรือเปล่ามันชวนให้เราคิดตบไปแล้วคือรู้ลงที่ปฏิบัติขณะที่มันเด่ น, นอันนสุแล้วแต่คือให้แยกว่ากายเคลื่อนไหวใจคอยรับรู้หรือว่าใจเราไหวไปก็คอยมีสตินคอยรับรู้รู้ทน แม้ใจนอยากจะนั um, ga. Ga, ga. Yeah, ớ, ớ, atau, ần, ่งน้นั่สั่งให้นั่งเองนะันนี้ทันจะฟังก็ใจให้นั่งหรือเปล่าตอนนั่งก็อยากจะลุกเนี่ยมันแป๊เดียวนะถ้ออปรู้ทันแต่ที่กาการพ์ตู้บอกว่าเดี๋ยวเดินไปมันก็อยากบอกให้นั่งนั่งนั่งนั่งนั่ัดบอกให้เดินแวกอไรให้ทันได้ตรวจสอบเลยว่ อะไรต่างๆให้เราหน้สต่างให้เราเยอเนะค่อยปรู้ทันเรื่อยๆเอ๊แต่ก็เออเธอไปแล้วเธอไปนั่งแล้วไม่เป็นไรจะได้โทษว่าไม่น่าเธอเปนั่งเลยก็บรรลุต้องนั่งต้องรู้ตัวต่อเลยนะรู้ตัวต่อไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวนะเราจะพักเพลนก่อนนะพักนอาหารแล้วก็บ่ายโมงค่อยค่อกลับมาเจอทีนี้ทีนึง ประกาศต้องรับการ